น, นี้เป็นวันที่กำหนดก็มาทําวัดร่วมกันเพื่อฟังธรรมกันนี่ปกติก็ทงวัดทุกวันสําหรับผู้ประสงค์จะเป็นกรณีพิเศษเพื่อผูกขนตนเองก็กำหนดเอาวัดปฏิบัติของตนเพื่อให้มีสติเต็มที่เป็นชีวิตส่วนตัวมากเต็มที่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 ถอใช่ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์มีโอกาสอยู่คนเดียวชีวิตส่วนตัวเห็นเจรตัวจะทําอะไรก็ได้แต่หมกวนคนคิคดอาศัยความสงบเพื่อโหลบนี้เพื่อทำความชั่วเพื่อโง่เง า, งานี่ก็มีสมัยก่อนผู้เจ้าก็เคยโดูด่าพระสงที่หลีกเล่นปริวิเวกในป่าอยู่บ่าเพื่อโง่ อยู่ป่าเพื่อฉลาดเพราะโง่จึงอยู่ป่าเพราะฉลาดจึงอยู่ป่านี่ก็เหมือนกันเราจึงไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเองรู้ตัวเองเราจึงดูแลตัวเองให้ดีๆปฏิบัติธรรมก็คือดูแลตัวเองให้คุ้มคช่หลบลี่หนีไปไหนนี่ไม่มีที่รับอันรับกับคนอื่นพอที่จะรับได้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 วัดปฏิบัติข้ใดข้อหนึ่งจับมาเพิกตัวเองบางีเห็นเจรตัวเห็นเจลักเจรนอนเห็นเจรอยู่เจรกินเห็นเจตร่มตรุษสบายแล้วก็มีวัดต่างๆตามตุ๊ดงกวัดสิบสามข้อนํามาใช้ประกอบด้วยเอกาในกังคะฉันอาสนะเดียวเป็นวัดจะลุกจากที่นั่งนี้แล้วไม่ฉันอีก ในเวลาที่เราจะต้องสมทานทุดงลูกขมัว ล, ละวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดไม่มีที่บุ้งที่บางอะไรไม่มีโกดอยู่ปกโกดอยู่ไม่หลืว่าลูกของมัว ล, ละวัดรือผ้าสามพืนเป็นวัดบินธบาตเป็นวัดอะไรต่างๆแต่นั่งจะนอนจะเดินเป็นวัดกําหนด เราก็เอามาเสริมด้วยอที่จะพูดจะปลูไปจับดน้นจับนี่มันไม่ชัดเจนใส่ใจใจิใส่ใ จ, ใ จ, ใ จ, ใจตามตามงานของตนติดตามให้ได้เนี่ยหลายๆอย่างยิ่งเรามีสติก็ยิ่งชัดเจนหลายอย่างสติทําให้เ ม, ม่นยามชัดเจนจะแตู่ดจะจ ะ, จะปาสัยจะ ค, คิด ใช้ชีวิตส่วนใดปลีกย่อยส่วนใดชัดเจนลงไปใส่ใจอยากน้ำก็ใส่ใจจะแปลงฟันก็ใส่ใจแต่ผูดจีจาก็ใส่ใจแต่โขบจฉันก็ใส่ใจให้ชัดเจนอย่าพลาดจะตื่นให้งดงามอย่าหลับก็ให้งดงามนอนสวยๆอย่าทิ้งตัวทิ้งกายทิ้งใจเกินไป เวลานอนก็ให้มังงามบางขาวางแขนท่านุ่งก็ห่มงอนท่าทางงามงามพยายามพย่ เ, พเจ้าตะแคงข้างขวาถ้าตะแคงข้างซ้ายมันทับหัวใจอาจหายใจไม่สะดวกตะแคงข้างขวาสบายนาณบางตัวให้ดีบรรจงในการนอนเวลานอนก็ มือก็ไม่ไม่ทำอะไรแล้วตายก็ไม่ทำอะไรแล้วใจก็ไม่ทำอะไรแล้วหาเรื่องมาคิดในเวลานอนมีสติลงไกํำกับส่วนใดส่วนหนึ่งเวลานอนก็ปฏิบัติธรรมได้โอกาสดีเวลานอนได้ปฏิบัติธรรมหมายใจก็ได้แต่กรดิกนิ้วก็ได้ถ้ามันนอนไม่หลับ โกมตัวเองกดีขึ้นใจเวลานอนไปหลับจะสนองทำความเพียรอย่าเอามาเป็นโทษเป็นภัยเอามาเป็นประโยชน์ทั้งหมดส่วนโดยที่เกิดจากการจากใจเอามาเป็นประโยชน์จะให้มีโทษอย่าสร้างปัญหาให้ตัวเองถ้าเราไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองได้แล้วก็ไม่สร้างปัญหาหคนอื่นไม่บีเบียนตนเองก็ไม่บีเบียนคนอื่นหัวเนี้ย ให้มั่นใจในการกระทําของเราในการใช้ชีวิตปัญหาของเรามีแน่นอนเกิดเจ็บเจ็บตายเพื่อเราต้องเตรียมตัวอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นกีฬาไปเลยมีประโยชน์มากการฝึกตนสอนตนเนี่ยยิ่งเรามายเจริญสติแล้วก็มีสูตรอยู่แล้วลอยเคลื่อนไหวมีสติ นิสัดูกายแล้วก็มีอยู่จริงกายก็มีจริงสติก็มีจริงสัมผัสกับสติสมัมผัสกับกายจริงจริงไม่ได้เอาเหตุเอาผลนั่นได้ไมันมีอยู่กายก็เอาส่วนใดก็ได้เอามือสร้างจังหวะเท่าเดินจองกลมเอาลมหายใจเข้าออกส่วนหยาบหยบส่วนละเอียดมีอยู่จริง ตามรู้ตามเห็นส่วนใดส่วนหนึง่งเป็นเฉพาะเรื่องไม่มีว่างเวทมีนิมิต ม, ม, มีที่เกาะมีที่ผึกเราจะผึกอะไรต้องมีนิมิตมีความหมายจะวัวผึกควยผึกช่างผึยม้าจะให้ทำอะไรตามความประสงค์ของเราเรานี่ก็เหมือนกัน อันเผกกลัวเผกลัวยังนอกตัวอยู่อันเผิกตัวเองมันอยู่กับตัวเองแท้ๆอย่าหลอกตัวเองเึกใจมันก็มีอยู่จริงใจเนี่ยมันคิดมันมีสุขมีทุกข์มีผิดมีถูกอะไรเกิดกับใจเ ย, ยอะแยะเอามันมาเผิกอย่าให้มันเถื่อนเกินไปสอนรู้สอนเตนมัน มันสุกก็เห็นมันมันทุกข์ก็เห็นมันมันสงบก็เห็นมันมันพุ่งส้างก็เห็นมันอย่าให้มันเป็นอิจฉาเพราะเราถูกฝึกเราฝึกจิตของเราแล้วปล่อยปปแล้วเลยมันก็กกเรเหมือนกันจิตใจเนี่ยสำสอนมาว่าววเป็นสังขารเป็นจมูทัยไปเป็นกิเลสตนาอะไรต่างๆได้มากมาย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 ให้มั่นใจจะละความชั่วที่กายก็ละได้ทันทีต่ทำความดีเอากายก็เอากายทำความดีทันทีนั่งเฉยๆงดงามไม่ผิดศีลจะละความชั่วก็ละได้ทันทีอะไรที่มันนำชั่วอยากายวางลงวงได้ไม่ต้องรีรออทันทีทันใด มีสติเข้าไปจะเอาใจมาทําความดีก่อนทำได้ทันทีเจะเจิตใจมารับความเชั่วก่อนได้ทันทีอาจะแผ่เมตตาในใจมองนี้ดีอะไรต่างๆได้ขาแขนคิดจึงได้ประกอบด้วยเมตตาทำสิ่งในประกอบด้วยเมตตาพูดสึงในประกอบด้วยเมตตาตั้งแต่ด้านและรับหลัง ใ้สัพพสิ่งทุกสิ่งเสริมเข้าไปอย่าเลือกที่ลักมากที่ชังให้เป็นอปัญญมยากว้างใหญ่ไพศาลบางทีกรรมาฐานมีสิ่งเหล่านี้ขวงขัน้นเป็นอคติเกิดขึ้นได้บางทีมันมีนิสัยมาเราฝึกนิสัยเอาพระพุทธเจ้าเป็นนิสัยก็ลบพระธรรม คำดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วอย่าทิ้งตรงนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมเป็นมาแล้วเป็นอยู่ไปด้วยทั้งพระพุทธเจ้าที่สอนอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นมาแล้วกําลังเป็นอยู่กําลังทําอยู่เคารพเคารพความชั่วก็รับความดีจึงใดที่ความชั่วอย่าเข้าไปใกล้เคารพ ได้เป็ความดีเน้อมเข้ามาเขารบต้องพ่อเทียนสอนพวกเราเคารบขี้ไก่ขี้ไก่เนี่ยมันของเหม็นอย่าไปเหยียบ ม, มันถ้าเห็นเล่าเลีกมันถ้าไปเหยียบ ม, มันเหม็นมันก็ติดตัวเราไปนั่งอยู่กัใครเขาก็เหม็นยิ่งเป็นสิ่งหน้าเขารบความชั่วอย่ามาพูดจะามาคิดจะามาทำํำมืไรเนี่ย อะไรก็ตามมันเกิดขึ้นให้เราเห็นดุวันนี้มันมีการแสดงความชั่วเต็มไปหมดนอกจากเว็นเฉีงแวดล้อมบางทีก็อยู่กับเพื่อนของเราก็มีไ่บินทบาทเพื่อนเราวางครั้งก็ประมาทหลงตัวชวนพูดชวนคุยแล้วก็เคารพไว้ไม่ควรพูดก็ไม่พูด ไม่ควรชิดก็ไม่ชิดไม่ควรทำก็ไม่ทำก็อมองว่าเพื่อนเราประมาทแล้วเพื่อนเราหลงแล้วก็อสอนตัวเองเราจะไม่หลงเหมือนเพื่อนเราหลงเราจะไม่พูดเหมือนเพื่อนเราพูดเราจะไม่ทำเหมือนเพื่อนเราทำเอาความไม่ดีมาสอนตัวเราไม่เอาอย่างเอาอย่างความดียินภิกษุนี้ไปอยู่ แถวเขาคิดโกดข้างเขาคิดโกดไม่เป็นห้วยที่ตอหนี้เห็นควันช้างเอาช่างอาบน้ําบอกช่างลงไปควันช่างก็นั่งอยู่ข้างบนฝั่งบอกให้ช่างล่างหลังมันก็เอาดูดน้ามาพ่นหลังบอกให้ช่างเอาน้ํา มาล่างข้างมันก็เอาโดดน้ํามาพ่นข้างร้อยข้างขวัวบอกให้ช่างล่างท้องช้างก็โดดน้ํามาล่างท้องช้างก็ทําตามบอกให้ช่างมุดดำลงไปช่างก็มุดลงปลอยบอกให้ช่างขึ้นมาช่างก็ขึ้นมาบอกให้ช่างนวดตัว บนต้นไม้ช่างก็ไปนวดตัวนวดหลังงวดข้างซ้ายนวดข้างขวานวดท้องก็เห็นไหมต้นไม้เบาเอหลังเลยนวดนวดนวดนวดนวดคอนเทลข้างนวดนวดขานข้างซ้ายนวดนวดคอนเทลก็ ม อ, องก็ออกองเอ็นทองนวดกลางสายกลางกว่าจนเกิดเห็นอุทยานหินช่างสีในภูเขาฟองหนีบถ้ามีหลงตาเคยไปเอาต้นไม้ต้นก้าที่นั่นเรียกว่าอุทยานหินสร้างสีเห็นก้อนหนึ่งมันสําหรับช่างสมัยก่อนช่างป่าเวลามันลงน้ํากรมาฉีก็เห็นน เป็นลอยโยหรือว่าอุทยานหินช่างสีไม่ว่าจะเป็นไรก็ตามเสาว่านเสาวล้วนเราเนี่ยวัวค่วยถ้ามีไต่ผมจะรีตัวมันช้างก็เหมือนกันวัวป่วยก็เหมือนกันก็เห็นไหมโยมวัวมันสีเสาวางทีเสาว่านเรามีขนขาดอยู่เต็ไมไว่าอะไรมันนวดตัวมันมันแล้วพกผมไปนวดตัวอย่างไง อันนี้เครื่องนวดมันวิวัฒนาาเจริญขซ้ซือเป็นแสนแสนล้านล้านแต่ไม่ก่อนเอาทษไม่แล้วภิกษุณีเห็นช่างปฏิบัติตามคำสั่งของผวนช้างเอาอย่างช้างต่อไปนี้เราจะสอนเหล่าภาษาช้างก็ยังสอนได้เอามาสอนตัวเราเองอะไรเป็นความดี เราจะรู้สึกตัวอยู่นี้เราจะมีสติอยู่ลมหายใจเราจะวางปล่อยวางตัวตนความทุกข์ความลักความชังจะวางมันเกิดที่ใดวางสอนตัวเราไม่นานได้เป็นพลา น, นดาเดวิกตัวเองเอาอย่างช่างแล้วก็มีแบบฉบับอยู่แล้วแบบจางอยู่แล้วเพราะทำไปไหนของเราอ๋อใส่ทำไปไหนเป็นใหญ่ในพวกเราเขราลรบรม ธรรมะอยู่กับหน้าเคารพธรร ม, มะอยู่กับพ่อกับแม่กับหน้าเคารพพ่อแม่ธรรมะอยู่ในครูอาจารย์ก็หน้าเคารพครูอาจารย์ธรรมะอยู่ ก, กับลูกศิษย์ก็หน้าเคารพลูกศิษย์ธรร ม, มะอยู่กับแม่ชีพิษุณีพระสงฆ์ยอดยมก็กคนที่หน้าเคารพเคารพธรรมมีที่มีอยู่ในคนแล้วก็หมองออกสิ่งที่พูดออกมาเป็น ปิยาวาจากที่คิดเราก็งองเห็นกิตเดิมๆที่เกิดจากกิจใจของคนโดนด้าตาก็รู้ปกติแล้วก็เขารบอยากเข้าไปใกล้เหมือนพระเจ้าไปบินทําบาลตามเห็นพระพุทธเจ้าไปบินทําบาตปัโทษอะไรปรัโทุ่นะ รามาอะไรอ่องเห็พระเจ้างเหอเลยวระทูปะะทัโทถ้าใครมีลูกชายอย่างนี้พ่อแม่ได้นิพานถ้าใครมีสามีอย่างนี้ปัญญาได้นิพานถ้าใครมีพี่ชายอย่างนี้น้องได้นิพานถ้าใครมีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนได้นิพาน เห็นหน้าก็เยินใจแล้วอะเพ่าอะไรวะเพราะเขารบธรรมปัโทปัโทมีไหมเห็นกันนละโอยอยากเข้าไปใกล้อยากเข้าไปใกล้เราจะไปเป็นสิงเป็นเสือทับบายคนเราแท้ๆไปเกียดไปชังกันทำมายิฉาเบียดเบียนทำมาความเป็นมนุษย์ของเราเคยเจ็บเจบตายมาทำความดีเนี่ย เาช่วยกันเราจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเอามาทำกรมดีมันอาศัยได้กรมดีเนี่ยมันบริสุทธิ์จะตื่นก็สบายจะหลับก็สบายจะตายก็สบายตาเคยตายถ้าจะพูดว่ามันไม่อยากจะเลื่อมเรื่องนี้เลยตายลงไปใจมันฝ่าย งันเช่นไหา้กิ่วที่สุดเลยแล้วก็วา่าอ่าไม่เป็นไรเราไม่มีบาปไม่กรรมอะไรไม่เคยทําบาปทํากรรมะอะไรชื่นใจไม่มีผลกระทบกระทือนไม่มีสะดุ้งอะไรในบาปในกรรมมีแต่ทาความดีมาไม่เคยผิดสิ่งผิดธรรมมีแต่ความดีอาจารย์ตู้จับมืออยู่ ล้วเราตายก็ไม่ไม่ตกนรกเด็ดขาดไม่เป็นเปรตไม่เป็นจุลกาจากน้อยต้องมีสุขติก็ดีก็ตายไปที่นะั่ตายไปก็มีเทวดามาจับมือเนี่ยอ่ะมันสบายเอ้จริงๆงนะมีเทวดามาสุขติสบาย มีเทวดามานวดมือให้ข้างซ้ายข้างขวาเทวดาเนี่ยมาจริงๆนะเทวดาที่นวดมือเราเนี่ยต้องมาจากบนีิมิตะสาวติชั้นสูงสุดพวกจาก่าตูมในไม่มาพวกนี้มันชั้นต่ำสร้างเทวดาชั้นสูงละ่ะเทวดาจริงเลยนยายัางปลุกตัองขึ้นมาปลุกตัองขึ้นมาพยายามสร้างความสุ องไ เ, เห็นจันทุ่มนวดไปเฮ้ยนี่จันทุ่มจันนวดนีไม่ค่อยหลับค่อยนอนอน้องค้างเตียงจงางกันคิดน้องน่งไม่ไม่เป็นปัญหาเลยไม่ความสุขไม่ความสงบไอ้บ้าใจาเป็นทุกข์หนไม่มีแน่นอนถ้าเราไม่มีบาปไม่กรรมแต่ว่าทั้งคนไม่บาปไม่กรรมเนาะเมีทุกข์แน่อนอนกลัวแล้วกลัวแล้ว พ่อลองอยู่ลูกก็นั่งอยู่กลัวแล้วกลัวแล้วลองอยู่ลูกเต่ากกลัวอะไรพ่อกลัวอะไรเอ้าเขาไล่จับกูอยู่นะสูงไม่ดูหรือไม่มีดอกไม่มีรอกโอ้มันไม่ดูเนี่ยมันไม่ดูพ่อเลยเนี่ยเอาไล่จับพ่ออยู่ไม่ช่วยพ่อเลยนะใครก็ช่วยไม่ได้ลูกนั่งจับแขนเนี่ยกลัวแล้ว วอะไรมันสะดุง้งมันมีบาปเมงกรับนาดาไปเห็นคนจะตายนะ่แต่ก่อนก็เป็นหมอคนจะตายก็ไปดูตกเบ็ดอยู่วางมือไปได้ต้องปล่อยให้แม่ทอสังเกตว่าตกเบ็ดแม่คนนี้ตกแเบ็ดตลอดเวลาไปชิดเบ็ดอนนี้ก็ปลดปาใส่ข้อง จับแขนไว้มาอย่ปล่อยนั้นต้องปล่อยให้ทรรมนจับไว้ไม่ได้แข็งไปหมดเลยเอนนี่ก็มันเคยชิ้น่ะมันติดเป็นมินญยญ่อนเลยไม่ใช่เรื่องเหลวไหลบาปกรรมนะมันเป็นตามันติดนะทำดีเถอะพวกเรามีสติสัมปชัญญะอย่าไปอาศัยใครทั้งทิ้นแล้วมาปฏิบัติธรรมเรา ลาอาจารย์มาสิบวันลูกบอกลูกก็จะมาสิบวันแล้วสิบวันแล้วสิบห้าวันนี้แล้วไม่มีอำนาจเราต้องอิจฉาต้องเวรกผ่านต้องทวนพอสมควรอย่าอ่อนแอต้องทวนกระเซาะเวรกไปแล้วจะมีอะไรอยู่ไม่รู้่าปริพุธมันไปไหนไม่ได้ ปริพเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลูกดึงไว้าติปริพเท์ห่วงญาติลูกหลานบริพเทศห่วงลูกหลานซับปริพเท์ห่วงซับสมบัติต่างๆมีปริโภทศทำให้เราห่วงยิ่งจะตายมันจะยื่งนี่ผูกเข้าไปตอนหาหลูกหมือนเชือกผูกข้อตอนหาหัวเีหมือนเอบกลูกศอกตอนหาของของเหมือนปอกสกทอ ปรีโพโธไปไม่ได้บางทีก็ห่วงห่องอ น, นัตต์อันนี้ขึ้นมาจะรู้สึกตัวไม่มีเลยยิ่งเวลาจะตายเนี่ยยิ่งกักงวลอย่าคนลุกดีลุกโดดกลัวจะเป็นไงไม่เลยจะปล่อย้องปล่อยเราวางช่างติันวางรู้สึกตัวบรรวาอิสระเป็มที่คอมีสติปลอดจากปัญหาต่างๆ ปดต่อยตัวเองเวลาใดเราใดสร้างสติมันงดงามสุดหัวใจมันสุดหัวใจเราระเจ้าว่าสมัยหนึ่งขะเถระทั้งหลายไปอยู่ในป่าอานอน์วาเลอรุทธะงกขลานะสาลีบทไปเห็นป่าสังสารชูต่างก็ฉันเินป่า ได้อย่างนั้นดีนี้ป่านี่ดีนะสําหรับพระผู้โสดอยู่ที่นี่เหมาะที่จะนอนพูดใส่บทไม่ใช่ป่านี่ดีสําหรับพระผู้มีปัญญาเสิร์ตบุคละพูดไม่ใช่ป่านี่เหมาะสําหรับผู้มีฤทธิ์ที่ปฏิหารออกอนุตตพูดป่านี่ดีสำหรับผู้ที่มี ฌานสมบัติอยู่เหมาะสมอุบาลีพูดขึ้นป่านนี้ดีสาหรับผู้ทรงธรรมทรงไว้ไหนตุ้ยเจ้าเดินมา <laughs> ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันอาโดนกอมพูดขึ้นอาบาลีก็พิ่ขึ้นสารีบุตรมกัลละอรุธทธะพิ่ขึ้นตร้เจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผ่านี่ดีสําหรับเวลาฉันข้าวมาวางบาทลงดำรงสตินั่งตัวตรงดำรงสติมีสติสัมผัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมบ่อนี่จะดีสําหรับบุคคลผู้อยู่ประเภทนี้ที่ทรงหลาสาธุลงตัวเลยทีเดียวดีสําหรับผู้ที่มีสติรู้สึกตัวนะยที่ใดก็ดีถ้าเรามีสติ ที่ใดไม่ดีเลยถ้าไม่มีสติล้วอยู่สวรก็อยู่ไม่ได้ร้อนโดดร้อนใจถ้าอยู่กับสตินี้มันจะเย็นสดหายใจเวลาใดเราเดินจงกรมอยู่ทางเดินรู้สึกมันไปนเสดที่สุด น, ะนี่เราซับของเราโอกาสนี้เราเตึ่นที่จะนอนยังไงจะจิ้ไงไม่ต้องคิดให้ชีเขาคิดให้แล้วลมถ่านเขาคิดให้แล้ว โศตายพวกเราว่าจะได้ทำารล้วนี้สักทีหนึ่งให้มันสุดหัวใจเราโดนว่าเรามีปัญหาอะไรก็มาถามเรามีเพื่อนพวกเราอยู่ที่นี่จะไม่พาหลงทิดหลงทางอาศัยพระธรรมคำสอนที่เป็นสัจธรรมมาช่วยกันในเหื่นี้มันน้องอยู่กรรมฐ า, านในประเทศไทยยังมีน้องอยู่ เรียกว่าภาวนาน่มีน้อยในพุทธบริษัทสวนมากอันอื่นมากมายให้พวกเราได้ตัดเฉนจ่าทำนองนี้ลองดูอย่าไปจริงจังจนข้าเครียดนะสนุกสนุ ก, นกผิดก็หัวโลมันถูกก็หัวโลมันทุกข์ก็หัวโลมันสุขก็หัวโลมันแล้วมันผิดเราไม่พอใจไม่ใช่นักกรรมฐานอันเดียวเราจงวางใจวางใจสู่ความปกติ ไม่หวันไหยเราจะเรินสติโจงกอดก็รู้อย่าไปโกรธทั้งโยงบางทีโกรธทั้งโยงให้ลิ่นน้องชายร้องตานะไหนาล่องให้ลื่นมันกัดหูลองให้ไล่เท่าไหร่ก็มังกัแต่ลื่นเนี่ยมาเป็นตัวเท้าคุยมาตีกูเลยนะ อยากเรี่นตัวเท่าขวายเนี่ยมาตีกันลองดูตัวเล็กมันมุ่นหูมันมุ่นโอ้ยหูบวมหมดเลยแล้กอลเนชาวเหนาอใช่ไหมชาวนาเรียบยุงเร่นอะไรกัหูนี่บวมหมดเลยวพราะนั่นเนี่ยอะไรก็โกรธได้ลรี่นตัวเล็กก็ไปโกรธให้มันโกรธให้ตตเวลาไถพีโตโกรธให้ต ในเืินไปสะดุดต่อโกรธให้ต่อเอาไม้ไปฟันต่อ ว, ว่าขาตัแตกถ้าโตมันพูดเป็นน้อก็บอกว่าโอ้ยผมก็เกิดจุด่ในน่าแล้วแต่มันลากอยากเลี้กลงไปแล้วเจ้าผูดูมาส้นข่อยฉัางนั้นก็โกรธให้ต่อกับมีบกงคนโกรธให้ขางเหรืองพ่อจะอีนะไปชนขางมานถึงหัวแตกเอาไม้มาฟันขางทบ้านถึงอย่างนี้น บ้านใกล้ๆกันลงุงตาบางคนมันหาเรื่องง่ายอะไรก็โถกน่กนาหอกตาแทนนี่จะมาดูวเองเดินไปชนต่อแจ้งว่าเราไม่รู้ดีแล้วขามันแตกจะได้ระมัดระวังไปโกรธให้ต่อคนเขาเนียนถาโขดให้เขาเราต้องรู้ตัวเราค้นเส้นญก็พอใจกับเขาไม่ชช่ต้องรู้ตัวเองมันเป็นจิตกลับมา บัณฑิตมองตัวเองนะผิดมองตัวเองถูกมองตัวเองคนอื่นผิดมองตัวเองคนอื่นถูกมองตัวเองจุกทุกข์มองตัวเองคนพันมองไปข้างนอกเอาผิดคนอื่นเอาดีกับคนอื่นบัณฑิตเขามองตนเหมือนกระส่องอะไรกระจกมองไปข้างนอกหายเองแต่ความดูตัวเองให้เห็นตัวเองนะควารู้จึกตัวมันเป็นอย่างนี้มันจะท้อรู้เจ้าตัว อะไรเกิดขึ้นรู้ตัวไม่มีสิ่งที่หลอกตัวเราได้เนี่ยฝึกตนสนตอนตนโอกาสเต็มที่พออยู่กันได้เนาะไม่ลำบากอะไรถ้าลำบากก็บอกพวกเราเราก็พาสงอยู่ที่นี้ก็ช่วยกันดูแลกันบ้างเวลานี่รลองตาก็แหลงหมดหลงหน่วย ตอนเช้าเนี่ยก็พอพูดได้เราตอนเย็นเนี่ยไม่มีเสียงหละมันเป็นธาโลโร้ไยกินชีวิตไปโศนเสียไปหมดหรอฮะอันที่มันไม่ค่อยมีนะนก็พวกเราก็ช่วยช่วยกันพระสงฆ์ก็ดูแลกันหาข้อมูลให้ได้ที่เป็นผู้รับผิดชอบตรื่องในการสอนคนให้เป็นปัจจุบัน เอาเรื่องที่เขาจะทำมาพูดมาสอนก่อนเราเวลานี้เรามาเจริญสติมีความรู้สึกตัวพูดเป็นเรื่องนี่แหละให้มันได้รู้ได้เห็นเอาไว้รู้ไว้ไม่ใช่บ่าแบกหามดูแล้วก็วางเย็นๆที่สุดถึงความไม่มีไม่เป็นอะไรนั่นแหละเบาวิว